أعوذ بالله من ا ل ش ัส ا ن ا ل ر ج จ م มอาบุญ ทักบ الأرض วยุทธ ي าราว่อัลลอฮ์ที خلقهم هو أشد منهم قوة و ش م ن ه ك ا ن و ا بأياتنا يجهدون وكانوا بأياتنا ي ج ح د و ن في أيام الحساب في أيام الحساب ل ن ي ق ه م عذاب الخزي ل ن ي ق ه م عذاب الخزي خزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى. แลยินาหุ a ฟั a ต a ฮับุลอามะ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 Um na, na, nah ya, a َ l a h u ا m a b i ك a a َ b a h n a wbika amsinna wbika n ر h i َ a wbika n a m u t م wa i l ا ل ل a n nushur a'uzu bi kalimatilla hitta ma timin sharima khalaq Bismillahi al-ladhi la ya'dur ma asmhi shayum fil arz walafis sama wahuwa samiyyun alim raddi bi Allahi rabb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 วา ز ีนัตอาร์ชีฮ์วามิดาดคำมัทธิ์อับสะพนะอัลลฟิตรัตอิสลาม وعلى คำมัทธ์อิคลาฟ وعلى ดินนบีอินะมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอัลลอฮิวะซัลลัม وعلى มลลต่ออับีน้าอิบรอฮิมฮะนิฟะมุสลิมะวมะอันมินอิมุชลิกินอัลลอฮุมผาติรัสส์มาวะต์วะล้อร์อาลิมัลกัยบีวะลชาฮะ รับค il si, si il ุ ي ลิชัยว่ามัลลิกะ أشد الله إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أختلف على نفسي س و ا ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ح ي م تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر ฟริ้ง قابل ا ل ت ไ ب شديد العقاب าร์ดที่ตั้วเล่ลาอิลาฮ์อิล السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมาศุบวัที่มัสยิดอันราดิสุลนะที่คตนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการสวรรค์ในบ้านผ่านเฟบุ นบและทีที m t v มทีวทีรักทั้งหลายครับปละทำดุลิละก่อนอื่นไม่มีอะไรดีเท่ากับนึกถึงอัลลอ์หัวใจเราเนี่ยต้องโยมกับอัลลอฮ์เรียกว่าตาอัลลุกมาอัลลอ์ให้หัวใจเนี่ยโยมกับอัลลอ์คนที่หัวใจโยมกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์สั่งนะสั่งในคัมภี์กรุรอานอย่าเป็นคนที่เย่อะยิ่งจองของอวดดี ซึ่งวันนี้เราจะจะพูดเรื่องคนอวดดีเยอะยิงเนี่ยเป็นยังไงเค่นั้นทอมตนดีกว่าอยู่แบบทอมตนนะนะนึกถึงอัลลอฮ์การสักฟอกหัวใจให้สอาดเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากับหนึ่งรู้จักอัลลอฮ์เรียนรู้เรื่องอิมานอ่าแล้วก็สักฟอกหัวใจอย่าทำชีริก อย่าทําอะไรก็ตามเพื่อเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงชื่อตําแหน่งเพื่อเกียรติยศเพื่อโลกดุนยาเนี่ยอย่าทำไอคนที่ทําอยู่ก็พยายามลดลดละนะไม่ใจะทิ้งเลยนะเราต้องอยู่บนดุนยาแต่อย่าหลงดุนยานี่ถนะ้าคนซักฟ่อกหัวใจเนี่ยคุรานชมบอกว่ากอดอฟลาฮามันตาซักกาคนที่ซักฟอกหัวใจของเขา ให้สะอาดคนนั้นเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตของเขาทั้งดุนยาและอาคิเราขอให้จำมาแล้วนี้กอดอัฟลฮชมันตะซักกานะครับแล้วคนที่ว่ามันกดคอบใครที่เครื่ออะไรนะปล่อยปลาแล้วเลยไม่ใส่ใจเลยหาวิ่งหาเงินเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียตรติยศแต่เรื่องหัวใจไม่เคยซักฟอกเลยนะ มมอันนันเขาเรียก่าหมัมชีวิตของเขาจะลําบากเพราะฉะนั้นจะนักคนยิ่งห ม, มักผมหัวใจหมักผ ม, มเยอะๆเนี่ยเอาล่อให้อยู่ดุงยานีนเพลินเพลินอร่อยจริงๆอ่ะแต่จะไปเสียใจตอนวิญญาณจะออกจากร่างโอ้ยเอาล่อจะฉันไม่เอาแล้วขอกลับมาอยู่บนดุงยาใหม่มาแก้ตัวลรอดไม่ให้นะครับจะนี่นคุณอานี่ยสอนเราอย่าเป็นคนที่หลงดุงยา ขอบคุณอัลล์นะครับที่เราอ่านคุรานนี่ก็เป็นความเมตตาของอัลลอ์นะที่ตื่นมานำมาตะฮัยุดได้แล้วก็นมาสุนัดสองรากาดก่อนนมาสุโกแล้วก็เดินมานมาติมอสลิดนี่เป็นความเมตตาที่อัลลอ์ให้นะครับหลายคนทำไม่ได้นะท่า น, นที่ทำได้นี่อย่าคิดว่า ฉันแน่อย่าอย่าไปคิดเลยคิดว่านี่อลัลลอฮ์ให้เพราะนาบีเนี่ยสอนเราตลอดว่าเองทำความดีเนี่ยเพราะอาลัลลอฮ์เมตาคุณที่คุณได้ริสุีมาเนี่ยอลัลลอฮ์เมตาคุณคุณไม่มีภรรยามีลูกมีที่อยู่อาศัยมีบ้านมีรถขับนี่นี่อลัลลอฮ์เมตาคุณอย่ายิงอย่าอวดดีย่าพอยอมนะครับเอาวันนี้มาอายะที่ สุราะซาเจดานะครับฮามิมสาเจดะหรือฟุตเซลัดข้อที่10เท่าไหร่นะสินะครับขอท้าวความอาทิตย์ที่แล้วนิดนึงว่าคือจากตัปสีตอิบนุกะซิดเนี่ยอธิบายบอกว่าท่านอิบนาอับบาสดะ ก, กล่าวว่านบีสอนอย่างนี้มีคนยิวเนี่ยมาหาท่านนาบียาฮูดีเนี่ยนะครับ มาหาท่านนาบีแล้วก็มาถามนาบีว่าเรื่องการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินที่ถามเนี่ยลองภูมิไม่ได้ถามเพื่ออยากรู้ลองภูมิคนที่เป็นนบีเท่านั้นแหละถึงจะรู้ทาไม่ใช่นบีเนี่ยตอบไม่ได้ท่านให้ที่ถามเนี่ย มาถามเพื่อจะหาความรู้ให้ อ, อิมานเพิ่มนะเปลา่าเพื่อจะหัดหน้าเนี่ยอัคลาคไม่ใส่ของคนที่ไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจเป็นอย่างนี้แหละ ม, ม, ามาถามท่านอบีเรื่องการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินท่านนาบีตอบไอ้ที่ตอบเนี่ยเป็นวาฮีทั้งหมดนะตอบบอกว่าอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้า สร้างแผ่นดินก่อนชั้นฟ้าที่หลังสร้างแผ่นดินนี่กี่วันนะที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสองวันวันอะไรนะวันอาทิตย์กับวันจันนี่นบตีต่อไอนะครับแล้วก็สร้างภูเขาเนี่ยวันอังคารแล้วก็สิ่งอำนวยประโยชน์ทั้งหลายแล้วก็สร้างต้นไม้น้ำแล้วก็เมือง ในวันพุธอัลลอฮฺแล้วก็สร้างชั้นฟ้าเนี่ยวันพฤหัสแล้วก็สร้างดวงดาวนะครับวันพฤหัสแล้วก็สร้างในวันศุกร์เนี่ยสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างมาลาฮิกะแล้วก็สร้างนบีอาดัมในหลังนมาฮอัสรีหลังนมาฮอัสรีบางเดิลอัสรี ช่วงสุดท้ายของวันสร้างมนุษย์แสดงให้เห็นว่าอัลลอ์เนี่ยสร้างสร้างอาหารเนี่ยนะสี่วันเราก็สร้างอะไรนะสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สร้างมลายิกแลรวก็สร้างมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายหลังนมาตอัสรีอย่างนี้เป็นตนนี่เล่าให้ฟังนบีเล่าอย่าถามยิฮูดีมาถามนาบีก็ตอบ ทางท like yes, hum ี่มันจะขอบคุณนาบีเปล่าฉะนั้นนิสัยอย่างนี้อย่าเอามาใช้นะครับเอาวันนี้บันทึกเรื่องมามุสลิมนะเอาวันนี้มาอายะที่14นะครับอิฎจอาตุหุมุรุสุลมิมเปนไอดีฮิมว่มินคัลฟิฮิม อ l l a h ta'abbudu illallah قَالُ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ م َ لَا ِ ك َ ف ن َล้วนับว่าอุรุสิตุมบิฮกาฟิรุนล่ามดุลิลาห์นี่เป็นความรู้หมดเลย إذ جاءتهم إذ جاءتهم الرسول من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه ฟาอินนบิมา ja ุรُสْลตุมบิคาฟิรุนฮามดุลิลละไอ้การนี้อัลลอะให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับบอกว่าอุกยาอดฮุมุรุสุลรุซุลนี่เป็นพระหุปธ ของคำว่ารอซู ล, ลุนรอซูละลนี่รุซุลบรรดารรอซูลที่อเอาลอดส่งมานี่นะยาอาตุฮุมได้มายังพวกเขาเราต้องนึกนะอ๋อบรรดารรอซูลที่มาก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเนี่ยอ๋อมีเท่าไหร่นบีรอซูลเนี่ยรวมแล้วนแสนสองมื่นสี่พันคน ที่ส่งมานี่นะส่งมาทำอะไรอะ่ะนี่แหละอธิบา ย, มมบายเมมใบนีไอดีมมาทางข้างหน้าของพวกเขาเนี่ยเอาลเล่านะฉันส่งนบีมาเนี่ยมาทางด้านหน้าของพวกเขาแล้วก็วอรมินคอร์ฟิมแล้วก็มาทางข้างหลังอธิบายยังไงคือมาสอนเนี่ย พยายามเชิญชวนเชิญชวนทั้งข้างหน้าเชิญชวนทั้งข้างหลังแบบนบีนุ่งอะทางกลางวันทั้งกลา ง, ง, งคืนทาง private ตัวต่อตัวทางจะมาทําหมดทุกวิถีทางเพื่อให้คนเป็นคนดีคนจะเป็นคนดีได้เนี่ยต้องยึดอลัลลอฮ์องเดียวเพราะเรียกว่าซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดอย่า ก, กราบสิ่งอื่นใดนอกจากอาลัลลอฮ์นี่เป็นห่วงต่งหาก ขานษาญายิสลาคี่สมนบีมาเนี่ยเพื่อมาชี้ทางนำที่ถูกต้องอยู่ยังไงบนโลกดุญญนยาใบนี้ไม่ใช่หลงโลกดุนยาไม่ใช่หลงนะมาอยู่แล้วก็ประคองตัวเองให้ดีเอาความรู้ที่ผ่านนาบีนี่นามาใช้ในชีวิตประจำวันลุงในะเล่าให้นบีฟังว่าให้พวกเราฟังด้วยว่าอัลลอฮ์เนี่ยส่งบรรดารซูลมาอย่างพวกเขาเหล่านั้นนะ คนที่มาในอดีตทั้งหมดนี่นะมากทังข้างหลังของเขาข้างหน้าเขาข้างหน้าข้างหลังมาถึงว่าเชิญชวนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งプライベートและกลุ่มชนรอแอบแอบชวนทำทักทำทุกวิธีทางนั่นแหละมาสอนเรื่องอะไรครับอัลลอฮฺต้บูดูอิลลัลลอฮนี่เรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้มาทั้กลางวันกลางคืนมาทัง ส่วนตัวส่วนรวมพูดอย่างเดียวว่าอย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเรื่องใหญ่มากครับฉะนั้นใครที่อยู่บนดุยาไปนี้ถ้าเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วนี่นะเขาเรียกว่าซับฟั่วหัวใจของเขาให้สะอาดอัลลอฮ์อัลบาดยังจะในอัลลอฮ์นี่แหละรวยจนอีกเรื่องหนึ่งพีนี้การรวยหรือจนเราต้องนึกนะอย่ามองว่าคนรวยเนี่ยอัลลอฮ์รับ คนจนเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่รักคิดผิด อ, อย่างฟาโร่เนี่ยมีตาแหน่งใช่ไหมเป็นกษัตริย์กอรูนรวยหรือไม่รวยอลัลลอฮ์รักหรือเปล่าพอทำตัวไม่เป็นเนี่ยพอทำตัวไม่เป็นก็ถูกอลัลลอฮ์ลงโทษอย่างกอรูนเนี่ยให้ให้อะไรสูบให้แผ่นดินสูบท้าไมต้องสูบ อ, อ่าไซนาบิลนเนี่ยอัลลอฮ์เปิดตาใช่ไหมอลัลลอฮ์รักใช่ไ นบีขึ้นไปไปรับน้มาดเนี่ยรอดเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเข้าไปในสวรรค์ไปดูเห็นไซนามบิลลานเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยถามว่าเงินก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเมียก็ไ ม, ม่มีรถขับ ก, ก็ไม่มีที่ดินสักงานนก็ไม่มีแต่ทํำไมาอยู่ในสวรรค์น่ะเพราะครับอีหมานตัวอัลลอฮ์และอิหมานตัวท่านนบีอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อยู่ในสวนสวรรค์นบีบอกว่า ให้บิลาเองเข้าสวรรค์ก่อนฉันด้วยะอย่างนี้เป็นต้นเหนไหม <t> ถ้าเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้ระวังตัวถูกไหมเอาจะทำในเวลาระวังตัวถูกเลยบนโลกดุนยาเรนี้อยู่ยังไงนี่ทดสอบนะนะให้ประการทดสอบทั้งหมดอัลลาฮฺต้าบูดูอิลลัลลอฮอย่าเคารพภักดีผู้ใ ด, ดอื่นจากอัลลอพรพอนบีมศสนี่ผู้นี่มันก็โต เขาว่าโตอ่าต่อต้านต่อต้านว่าไงครับก็รู้พวกเขาคนที่มาในอดีต ท, ทั้งหมดนี่แลละนี่อัลลอ์สรุปให้นบีมุฮัมมัดฟังนะก็รู้พวกเขาพูดว่าเราจะถ้ารบบูนาถ้าพระผู้อาภิบาลของเราประสงค์ที่จะให้เราเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์องเดียวนี่นะลอันซาลา อัลลอฮ์คงจะส่งมาลาอิกาส่งมาลายิกาลงมาไม่ใช่ทรงคนลงมาต้องส่งมาลายิกาลงมามลายิกาที่อยู่กับอัลลอฮ์บนชานฟ้าเนี่ยนี่มันโตใช่ไหมนี่ไม่เห็นย่างในภาษาที่เอาไปผสมอัลลอฮ์เก็บภาษาของคนกาเฟตมาเล่าให้นบีฟังเขาโตนบีแบบนี้นะฉะนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์ต้องการ จะให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้กราบอาลัลลอฮ์องเดียวนะ่ะเขาไม่แต่งตั้งคนมาหลอกเขาจะต้องแต่งตั้งใครมาไล่กันเห็นยังอัลลอฮฺอักบารมันก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อไม่เอาอ่าเข้าใจนะเลี้ยงเพื่อไม่เอาแต่อลัลลอฮฺให้อยู่บนดุนยาไหมให้อยู่เอาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อยู่ไปอยู่ไปอยูลองว่าพวกนี้มันโตนะ คนที่จะมาสอนต้องไม่ใช่คนต้องเป็นอะไ ร, ม, าราะมัลลัยกาแต่นี่มัลลัยกาเนี่ยสีผัมัลลักาเนี่ยเราเห็นหน้าได้ไหมไม่ได้อ้าวพอมลลักะมาจริงๆก็พูดอกีกนี่คุณเอามัลลัยกามาสอนมันต่เอาคนมาสอนเอาอื่ยังไ่อย่างนี้เป็นต้นนี่นิสัยของคนคนี lam, ่แอนตี้อิสลามกจะพูดทุกๆเรื่องแหละ เพื่อจะไม่ให้อิสลามเเข้าไปอยู่ในตัวเองเนี่ยนะเอาต่อมาฟ า, าอินบิมาอูรุินตุมบิฮิกะฟิรุนฉะนั้นฟาไปกว่าฉะนั้นอินนาเราแท้จริงเราเนี่ยนบะิมาอูรุสินตุมบิฮิกะฟิรุนกาฟิรุนแปลไปก่อนฉันไม่ศรัทธาฉันไม่เชื่อ บ i Ma อุศรินตุมในข้อที่ท่านถูกส่งมาฉันไม่เชื่อสิ่งที่ท่านนาบีนำาอามาสิ่งที่บรรดา น, นาบีรสูลที่นำมาในฉันไม่เชื่อเพราะว่าส่งคนมาทำไมถ้าสรงมลิกามาสิเราจะยอมรับหลักกานี่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังเราให้พระลังว่าคนกาเฟรเนี่ยทุกยุคทุกสมยัยก็แอนติอิสลามกันแบบนี้แหละนะพอต่อมาครับ อายาที่สิบห้าฟาอัมดุมฟาสต์อัคบรูฟิลอาร์ดีบ غير الحق وقالو من أشد من قوة أ, أ ولم يرو أن الله الذي خلقهم ขว่าอาชัดด้วยมิหุมกุว่ากวะโนบียาตินาญาจฮะดุนอัลลอฮฺอั a l อ a ฺอัลลอฮ a ฮา a มุลิลลาห์ فأما عادم فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا มันอาชดมิ่นความอวเลมยาราวอันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้สร้างพวกเขาเขาอาชดมิ่นความและพวกเขาเป็นในข้อความของเรามีความสุขอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ส a ้างพวกเขาเขาอาชดมิ่นคว h มแ a ะ n วกูว่ากนีออะน้มีอู่าะเ็นมเอเมนะ อาดใช่ไหม อ, อาดเอ า, าเล่าให้ฟังกันนะครับคนที่มาก่อนหนะ้นานบีมุฮัมมัดเนี่ยพูดจาโอหังอวดดีอายานีนะพูดจาโอหังอวดดีถ้าแล้วก็ชายชายชายภาษาแรงนะฟัสตักบรูพวกเขาเนีย่ยิงพยอง สาปนี่ไปพูด ก, กับใครก็ทุกคนมมโหหมดแล้วนะจะอลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังพวกอารที่มาก่อนหนะ้นานบีนั้นลูกอาร์เนี่ยสมัยไหนสมัยนบีฮูดมีอารสมุตมีนบีฮูดนบีซอซลอ่าพวกนี้นะอัลลอ์ให้แข็งแรงนะร่างกายของเขาโนะอนโลบอ หินเนี่ยอยู่ในภูเขาเนี่มันยิบมาได้เนาะก็ดึงจกเอาหินนี่อาจารัสศรีอนธิบายว่าแ ข, ข็งแข็งแรงมากไอ้ความแข็งแรงนี่แหละทำให้อวดดีพยองนี่เป็นเตือนเตือ น, น, น, นเราด้วยนะเวลาใครแข็งแรงร่ายการแข็งแรงอะ่ะอย่าเอานิสัยพวกอาจมาใชา้เวลาแข็งแรงนี่จะต้องขอบคุณร้อยจะ่ม่ อาลฮัมดุลิลลาห์เอาไว้นำมาตานจุดเอาไว้ช่วยเหลืองงานมัสยิดงานกูโบนพวกนี้ใช่ไหมแข็งแรงอ่ะแต่นี้พพกแข็งแรงกลับไปตบคนนั้ น, น <laughs> แต่ด่ากนนี้ฉะนั้นถ้าไม่เรียนอิสลามอย่างเดียวเนี้ยพลาดหมดเลยนะชีวิตเอามาดูเอาล้อเล่าให้ฟังฟาอัามมาดุล้ลส่วนพวกอารดนั้น ฟาสต้ค baru พวกเขายิงพยองฟิล l out the ใอัลลอฮ์นะชี้นำ น, นะนนะหน้าแผ่นดินตรงนี้เองไปยิงพยองมุ่ชันฟ้าเองไปเลยแต่เองยิงพยองบนหน้าแผ่นดินร่วมกับมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเองทำแบบเลวมากให้คนเห็นฉะนั้นอย่าทำแบบไม่ดีให้คนเห็นต้องทำแบบดีๆให้คนเห็นเพราะคนมันเรียนเรียนแบบนะ่ะ ใครที่ใหญ่กว่ารวยกว่ามีบ้านใหญ่กว่าทำอะไรไม่ดีคุณม่เลียนแบบนะฉะนั้นเราต้องทำแบบดีๆให้คนเห็นจะนี้พวกอาร์ส ม, มุด น, นะแบบไม่ดีอาร์ตเป็นคนที่นักฟัสตัก บ, บรูฟิลอรด์ดบิรไยริลฮักกียิ่งพยองบนหน้าแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมอลัลลตมินนะทีนี้ แล้วพูดอีกอาภาษาพูดด้วยเนี่ยลอร์ยิงโกรธใจเลยเอาว่าก็รู้เอาดูต่อไปพวกเขากล่าวว่าไงนะมันอาชัดดุมิ น, นากูอา่าภาษานี้ดีมากครับมันแปลว่าผูา้ใดอาชัดดูแปลว่าแข็งเข้มแข็งกว่ามิ น, นากูวพลังใครที่มีพลัง เข้มแข็งกว่าเรามีไหมนี่คุยอวตารงอผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าเราไหมเราเนี่ยใหญ่สุดเรานี่มีความสามารถสูงสุดเรานี่เป็นอะไรนะเป็นพี่ผู้มีพลังสูงสุดนี่ทัฟซิดภาษาอุ ด, ดูเนี่ยอธิบายดีนะภาษานี้วันนี้โลกดุรยาเอามาใช้แล้ว คนบนโลกดุนยาบนี้เอามาใชา้แล้วเอาภาษาของพวกอาร์ตมาใชา้มันอาชัดดูมินนากูวใครผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าเราไหมใครเอามาพูดในตับซีภาษาอุดูตับซีมาจีดีเนี่ยนะเพิมตินัดวาด้วยนะหนึ่งประเทศรัศเสเซียมาพูดแล้ว ฉันในใหญ่สุดมีอำนาจสุดมีระเบิดนุ่นระเบิดคือนิวเคลียร์เต็มไปหมดใช่ไหมประเทศที่สองอเมริกาก็พูดแล้วประเทศที่สามอังกฤษก็พูดแล้วเยอรมันพูดอิตาลีพูดญี่ปุ่นพูดเริ่มพูดแล้วฉันใครจะแข็งแก่งกว่าฉันมีมัหมในโลกนี้เริ่มพูดแล้วเอาภาษาของใครมาพูด เอาภาษาของคนที่เอาลอดฉันเอามาพูดเหานยังทิ่ ถ, ถาว่า น, นิสัยของมนุษย์เนี่ยพูดอย่างนี้ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับฟาโร่พูดแล้วใช่ไหมฉันใหญ่ที่สุดในโลกใช่หรือไม่ใช่แล้วเป็นไง <c oughs> พอตอนจะตายอามันตูฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอ์มีองค์เดียวเอ็งพูดทำไมล่ะเอ็งใหญ่ไปสิ เพราะฉะนั้นคนที่พูดถ่อมตนไม่ค่อยมีนี่อัลลอ์เล่าให้ยบีบุห์มัดฟังนะอยู่ไปอยู่ไปบนดุลยาเบนี้ประเทศเนี่ยจะแบ่งอาจะกี่ร้อยประเทศกว่าเธอส่วนใหญ่นี่นะไม่มีใครถ่อมตนต่ออลัลลอ์สักคนหนึ่งมีแต่เย่อหยิงอวดดีพยองยิงพยองใช่แล้วก็คนที่พูดภาษานี้นะ มันอาชัดดุมินนาปูวใครที่มีพลังมากมากกว่าเรา อ, อยู่ไหนเนี่ยนะจะไปยอมรับอัลลอฮ์ตอนจะตายหมดเลยอตอนที่มาลายกามาเอาวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์ไล่ในกรพริงุณอ่านคุลกลอินซาโนตอออิฟามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพคนอ่อนแอแต่เวลาอัลลอฮ์ให้ให้ดุญญาเขาให้เงินเข้า ให้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีตำแหน่งแค่สามสีรายการนี่นะใหญ่ยยแล้วลืมอลัลลอ์แล้วมองมนุษย์ดูถูกเหยียดหยามมนุษย์แล้วนี่นิสัยของคนที่ไม่รู้จักอลัลลอ์นี่ก็จะคนนี้มันจะซักฟวกหัวใจฉะนั้นเดิมๆมนุษย์นี่นะอลัลลอ์สร้างมาเนี่ยดอีฟ่อนแอแล้วก็เวลาอลัลลอ์ให้เงิน ให้มีตำแหน่งให้มีชื่อเสียงให้มีเกียรติยศในสังคมเนี่ยนะโอ้โหโอหังเยอะยิ่งจองของคุยใหญ่คุยโตกูแน่ใครใหญ่กว่ากูมีเปล่าเชิญอย่างนี้เป็นต้นจะมากนั่นละเป็นภาษาที่อัลลอฮบันทึกเก็บไว้หมดที่นั่นไนกุณนคุณายุรอันนิซาอธิบายต่อบอกว่าอินนัลละรีนาตะวฟ้าฮุมุลมาลักะดูลิมีอัมฟุสะฮุม คนที่อัลลอฮจะเอาวิญญาณของเขาออ ก, ออกจากร่างคือคนชั่วๆเนี่ยที่พูดภาษานี่นนะฟีมากรุนตุ่มมาเกาถามว่าเองทำไมปล่อยตัวอย่างนี้ละ่ะพูดจาไม่เข้าหูเลยอ่ะคุยอวดดีคุยโอหังอวดดีนัสูรอานีซานะอายาที่97ไปเปิดดูกอลูคนที่เคยพูดโอหังอวดดีพูดยัไงไงเลยไหม กุณนะมุสตันไอฟีนะฟิลอรเราเป็นคนอ่อนแออยู่บนโลกดุนยาใบนี้ใช่ไหมไปยอมรับว่าอ่อนแอตอนมันจะตายหนุนน่ะแต่ที่มันคุยใหญ่คุยโตเอาไว้เมตอนมีอำนาจนะตอนอายุหสบกเนี่ยนะอ๋อคุยใหญ่คุยโตวพวกกล้าจะตายจริงจริงมรัยยาถาม่าเองทำไมปล่อยตัวอย่างนี้ลนะ่ะคุยใหญ่คุยโตจังเลย ฉันออนแอร์อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เห็นไหมไปยอมรับสภาพแบบฟา ah. โรห์กอรูนใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอายั น, นี้เตือนคนที่อ่านคุณอ่านทั้งหมดทั้งโลกนี่แหละอย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองอวดดีแค่มีเงินแค่มีบ้านใหญ่ๆแค่มีรถขับแค่มีตำแหน่งแค่มีนู่นมีนี่มีคนยกยกสรรเสริญกูใหญ่ยยแล้วเหรอใครบอกเองฉะนั้น ยิ่งใหญ่เท่าไรยิ่งทำตัวให้เล็กยิ่งมีเงินต้องเล็กยิ่งมีตำแหนง่งต้องดูแล ง, งานศาสนาของอัลลอฮ์ให้เพิ่มขึ้นอัลลอฮฺอักบรมานาบุลฮัสซันเขียนเขียนหนังสือไว้นะเขาบอกว่ามุสลิมทั้งโลกนี่นะจะมีตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามต้องมีเจ็ดข้อนะ ต้องมีเจข้อนะครับข้อที่หนึ่ง إ ي م ต้องมีอีมานต่อหรอข้อที่สองตาลุกมาอัลลอ์หัวใจจงโยมกับอัลลอ์ข้อที่สมต้องอิคลาสข้อที่สต้องทำให้อัลลอฮ์พึงพอใจต้องเรียนครับต้องฟังตัเสดเยอะเยอะอัจจุข้อมีอะไรบ้างคนหนึ่ง إ ي م ا ข้อที่สอง ต่อันลุกมาอัลลอฮ์หัวใจเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์อย่าโยงกับเงินอย่าโยงกับชื่อเสียงตําแหน่งเกศพอไปโยงกับชื่อเสียงตําแหน่งเกศตยศปับเนี่ยอะไรมันตามมาใช่ไหม ย, ยิงพยองก็จะตามมาคุยใหญ่คุยโตมันอาชัดโดบินนากูว่าใครใหญ่กว่ากูมีแหละอย่างนี้มิเตอร์นะ่ะไอภาษาเนี่ยอัลลอฮ์หมันใสนะ้น่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมี إ ي م านต่ออัลลอฮ์ ข้อที่สหัวใจยมกับอัลลอฮ์ข้อที่สมหัวใจต้องบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ข้อที่สี่ทำให้อัลลอฮ์พอใจข้อที่หชูกริลัญจิห้าต้องอยู่ในใจมุมบินนะรักที่จะปกป้องอิสลามถ้าอยู่ในใจแบบนี้ทุกคนนะตะกับบดเยอะยิงจองหอมไม่มีอะไรนะรักที่จะปกป้องอิสลามชูกอิลัญ น, นะรักที่จะไปสวรรค์ ข้อที่เจ็ดชูกุณอิลสาดรรักที่จะตายในคุนทางของอลัลลอะเจดรายการนี้จะทำให้คนไม่พยองจะทำให้คนนี้นอบน้อมถม่อมตนต่อ อ, อัลลอฮฺอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมเราเคทำมนานบุญศาสนไปอเมริกาไปยุโรปมไปสอนคนยุโรปอ่ะเองอยู่แบบนี้เ่ะ <c oughs> ไม่เห็น น, น้อมนอมสักคนมีเกจตกระ บ, บุกเยอะยิงจังหองภาษาถมตนไม่มีเลยอ่ะฉะนั้นเวลามีเงินมีชื่อเสียงมีระเบิดปรมาณูแค่นี้เอง อ, ะอ่ะเองใหญ่โตไปแล้วเล่ะรออักขระพัฒน์เอิรนผู้อ่านผุ้อ่านพบประเทศอิสราเอลตอนนี้พวกอิสราเอลกระจัด ก, กระจายไปอยู่ทั่วโลกใช่ไหมจากใกล้ๆวันเกียมา Allah ลลจะให้พวกเบนีอิสราเอลทั้งหมดพวกยะฮูดีเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวในะคุอ่านนะอธิบายไว้นะวันนี้ก็ไปยึดประเทศ ป, เทศปาเลสไตน์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันก็เรียกกันเข้ามาเรียกมาทําไมกันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งของ a า l a h นะวันนี้ยะฮูดีมันก็นยุให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกทะเลาะ ก, กันใช่ไหมล่ะประเทศนี้ประเทศ น, ทศนี้ประเทศทะเลาะ ก, กัน ก็มันก็ขายอาวุธแล้ววันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะเปลี่ยนพอยาหูดีมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วนะให้ประเทศมุสลิมทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันนะจบครับนี่เป็นแผนของอัลเลอฮ์ฉะนั้นอย่าอวดดีกับอัลลอฮ์สุภานอัลบาตาลาให้ทนมตนกับอัลลอฮ์เอาไว้เดี๋ยวคือว่าอาัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกนะสร้างชั้นฟ้าสองวันจะได้ทันตินสองวันชั้นฟ้าสองวันสร้างอาหารทั้งส่วันยิงกลัวตายอยู่เลยว่าจนนี่เลย อย่างนี้เป็ น, นต้นเราต้องนึกเอากุรานได้มาสอนสอนตัวเราตลอดเวลาตัลงว่ามุสลิมทั่วโลกจะอยู่ตรงไหนก็าตามต้องมีลักษณะกี่ข้อนะเจ็ดข้อหนึ่งอีมานอีมานต่ออัลลอฮ์สองตะอัลลูกมาอัลลอ์โยงกับอัลลอ์ข้อที่สามหัวใจอิคลาตบริสุทธิต่ออัลลอ์แล้วก็ทำให้อัลลอ์พอใจข้อที่ข้อที่ห้า โชคแปลว่ามีความอยากที่จะยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ข้อที่หกมีความรักอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ข้อที่เจอยากจะตายในหนทางของอัลลอฮ์ถ้าอยู่อย่างนี้น ะ, อ, ะอิสลามจะเลยสง่างามความชั่วบนโลกญญนี้ไม่มีนะครับแต่มุสลิมจะต้องรักต้องต้องมีเจ็ดเจข้อนี่แหละนะครับเอาต่อมาครับ อาบาลามยาเราอันอัลลอฮัลลาีขอลับข้อหุมนี่อัลลอฮเตือนพวกเขาไม่เคยคิดดูยะเราไปลว่าคิดดูสังเกตพวกเขาไม่ได้คิดดูหรือว่าอันอัลลอฮัลลาีแท้จริงอัลลอฮนั้นขอลับอหุมสร้างพวกเขามาแต่อวดดีจังเลย <c oughs> อ่อสร้างมาจากอะไรนึกเองก็ได้จากไรนะจากดิน วันอะไรวันศุกร์หลังอะไรหลังนมาตอัสริอวดดีเลยสร้างมนุษย์มาวันศุกร์หลังนมาตอัสริสร้างแค่สองสามชั่วโมงเองแล้วก็ให้มล า, ายกามามาสุรุดต่ออาดัมอย่างนี้เป็นต้นเราต้องจำเรื่องนั้นด้วยนะครับอัลลอฮ์คอยละกะฮุมอัลลอฮ์ผู้สร้างพวกเขาเหล่านั้นผูว่าอาชัดดูมินฮวงปูวนี่แหละอัลลอฮ์ ทรงมีพลังเข้มกว่าพวกเขาทั้งหมดเองแค่มีอาวุธมีระเบิดนิวเคลียร์ใหญ่แล้วเลยอ่าววันนี้จะสงครามรึยังมัม้งอะไรรัสเซียกับอะไรยูเครนอ ะ, ะก็ตามแต่ก็ศึกษาการเมืองไปด้วยอขุมอาวุธเนี่ยกูจะเาเมือเป็นท่ากูไงทำไมไม่เชิญเจ้คนทยมาเป็ธธนท่าเราล่อไม่ดีกว่าหรือไม่มีใครคิดอย่างนี้คิดกูกูต้องใหญ่ไงกูต้องมีอํานาจ แค่มีระเบิดนี่เคลียร์มีนู่นมีนี่มีไม่กี่อย่างเองเองขาดอัลลอฮ์อย่างเดียวเองไปไม่รอดนะแต่รอนี่อัลลอ์ให้เระเเยอะไปก่อนเอาอะไปฟาการูบิยอตินายาจดฮัดูนกานั้นพวกเขายังปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรากานั้นหรือไรไหมทั้งที่รู้แล้วนะแต่ว่า อะไรถูกไหมกรีนกรีนบป็นะไรนะไชตอนที่อยู่ติดกับตัวเราเนี่ยยุให้ทรยศต่อของอัลลอฮ์สุภาหูอัลลาห์กรีนนะกรีนแปลว่าเพื่อนกรีนแปลว่าเกลเรฉะนั้นถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอีมานไม่เอาตักว้าไม่เอายากรนไม่เอาเจ็ดข้ออยู่ในใจนี่นะอะไรมาอยู่แทนไชตอนเป็นกอรีนเป็นเกเรมาอยู่ แทนมละอีก้าแทนอัลลอฮ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นอายาที่สิหครับคนที่โอหังตะกุอวดีนะรับทลงโทษยังไงครับฟาอัลสลนาอัลไอฮิมริฮะฟาอัลสลนาอัลไอฮิมริฮันซุลซารัมฟีไอยามินนะฮิซัด ل ن ذ ي ق ه م عذاب الخير ز في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريح ا صر صر ا في أيام النحسات لنذيقه م ْ عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ي ن َ ر و ن عز و ا ل นี่เป็นการลงโทษคนที่โอหังอวดดีบนดุนยา แล้วก็อาคริเจออีกใหญ่กว่าบนดุญยาอีกหลายเท่าพยาีิเตือนอย่าโอหังยยยอย่าตะการบุตรย่าเย่อะยิงอย่าอวนดีให้นอมน้อมทอมตนเองจะมีดุลยามากแค่ไหนก็ตามดูสาวบ้านนบีเป็นแบบใช่ไหมอัดรมานเป็นอ้ามีเงินตั้งเยอะอัลลอยืนนมาดข้างหลัง รับหนึ่งไม่เคยขาดนมาจมานะนั่นตัวอย่างอ่ะคนดีที่อัลลอฮ์พอใจอ่ะเราไม่เอาไปมองใครท้าใครก็ไม่รู้คนที่ทรยศต่ตออัลลอ์นั่นไม่ใช่รูปแบบของเรารูปแบบเราคือนบีมุฮัมมัดและบรรดาสุบฮับทั้งหมดเป็นรูปแบบที่อัลลอฮ์ทรงพอใจฟาอันนลซัลนาอะฮิมรีฮันเราได้ส่งแก่พวกเขา รียกแว่าลมดังนั้นมุหมินนี่ต้องนึกเวลาลมมาต้องนึกเอ๊ะนี่มันลมพายุหรือเปล่ามามาทอมาลงโทษหรือเปล่าต้องนึกครับเพราะนาบีเนี่ยสอนให้เรานึกถึ้งอิชานเล่าเองเวลาลมพายุมาแต่ละครั้งนบีเดินเข้าออกกับมัสยิดกับบ้าน เ, นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมากลัวกลัวลมพายุจะมา แล้วมาทำลายอ่ะเรม่กลัวครับเะนั้นเราก็ข อ, ด, อด้วยเวลาลมมาเนี่ยให้ขอด้วยโอ้ออลล้อนจะอย่าอาลมแรงๆมาหาฉันเลยขอให้ลมเบาๆลมดีๆเธอต้องขอครับอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับรีฮันส่งลมมาดซอรรอนรุนแรงหรือว่าลมหนาวจัด ในตัวเซตอธิบายไว้ลมแรงๆเขาเรียกว่ารีหันซอสโซอรอนลมหนาวจัดก็ได้ในอายะอายะอื่นพวกอารสมุเนี่ยพวกพวกอารตเนี่ยถูกลมลมเนี่ยลมพายุมาเนี่ยแปดปดเจ็ดคืนแปดวันเจ็ดคืนแปดวันเอทำไมไม่เท่ากันล่ะเจ็ดคืนแปดวัน เพราะกลางคืนมาก่อนเจ็ดคืน8วันแต่วมา่อาไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยว่นาะนี่อร้อนเล่าให้ฟังนะคนในอดีตนั้นคือทรยศต่ออร้อนะเอาะรอนลงโทษนะแล้วก็ต่อมาก็ฟีอายามินหลายวันนายซาตินเขาเรียกว่าไรนะอับโชคมีทุกขพลมมาเนะี่ยมีทุกนะแล้วก็นอนตายกันนะบนบ้านเนจะ็ดวันอะไรนะ เจ็ดคืนแปวันลมหนาวมาเนี่ยนอนตายกันหมดเลยเนตำสิทธิปฏิบัติไาตายกันหมดเลยนะคนรวยๆก็ตายคนจนๆก็าตายเลยเพราะมไ ม, ไม่เคยห้ามเขาไว้อ่ะคนจนเนี่ยที่มีสาสนาประตายด้วยนะเพราะพาะไม่ได้ห้ามไอ้คนคนชั่วเสด็นดนไม่ีอเอะไปเลยบางเชิญเลยตามสบายแต่ด้านเราต้อง ยับยั้งเขาด้วยถ้ายับยั้งไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งช่มากแต่จะอยู่เฉยๆเลยมองเฉยๆไม่ไม่พูดไม่อะไรไม่ตำหนิไม่ไดนะ้เห็นคนชั่วมาในต้องอะไรนะต้องยับยับ้งไม่ใช่ น, ชนั่งเฉยๆนั่งเฉยไม่ได้นะครับพิษนั่งนี้เป็นต้นนะครับลีนูซีกอฮุมเพื่อเราจะได้ลาก็ยูซีแปลว่าชิมงนาะได้ลิม อาซาบาลคิสีอาซาแปว่าการลงโทษคิสยุนแปลว่าอัประยชน์หรือหน้าอับอายนี่ไงให้พวกเขาได้ลิ้มรสบนโลกดุนยาใบนี้ฟิลฮายาติดดุนยาในโลกดุนยาใบนี้ความอับประยชน์ความอับอายอายอะไรเลยวันนี้พวกเรานี่คุยถึงความไม่ดีวองพวกอาจใจไหมถ้าเขาตื่นมาได้ยินเขาอายไหมล่ะอานี่ไงอายแล้วอ่ะพวกอาสมมุติเนี่ยถ้าเขา ฟื้นขึ้นมานะและพวกเราคุยในทางที่ไม่ดีของเขาเขาอายบาปในคนอานแฉให้ฟังอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับถูกบนดุลยาแล้วพออย่างอัลลาฮาบุลอาคือรอแล้วก็แน่นอนล่าไปวันแน่นอนอาฮาบุลอาคือรอการลงโทษในโลกอาคิอร้อนนั้นอัคจาอัปยศยิ่งกว่า เเล่าให้ฟังไม่เชื่อก็เชิญเ่มีปัญหาหรอกนะครับเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนอัคราอะไรนะอัปยศยิ่งกว่าบนดุนยาถูกไปแล้วนะถูกลมลมพายุมาฝนตกหนาจูอัรมตายนั่นเป็นความอับอายจนิดหนึ่งแล้วในอาคราฟื้นขึ้นมาถูกอีกไหมถูกอีกครับไม่ใช่โลกดุนยาอย่างเดียวพรารเป็นคนสองโลกนะครับ ว่าอุมแลายุงสัลูและพวกเขาจะไม่ถูกช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นไอไหมตัวช่วยไม่มีเลยอัลลอฮ์ถูกตั้งแต่กูโบโลแล้วก่อนตายก็ถูกตายแล้วในกูโบโถูกอีกรู้ได้ไงเพราะนยเพือ่อมาสอนคนไม่เอาไม่ไม่ไมอลัลลอ์ไม่สั ก, กว่กหวัวใจก่อนตายใช่ถูกลงโทษบนดุญยาอย่าในกูโบโ ถ, ถูกหรือไม่ถูก ่าอะไรก็มาถามทุกยุคทุกสมัยถามเหมือนกันมารับบุกะมันนบิยกุกะมันอิมามบุกะตอบได้ไหมตอบไม่ได้ <c oughs> ไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเชิญตามสบายเถอะอัลลอฮฺตัดฟารูว้ใหญ่ๆนะเพราะความตายมาอามันดูพูดทำไมอ่ะเพราะกลัวนะฉะนั้นอยู่แบบตามคุณอาหารดีกว่านะครับสบายใจเราอยู่เลย ต่อมาข้อที่ิบเจนะครับคือเป็นอ่งนี้นบีนี่นะนบีที่มาในโลกเนี่ยเยอะมีนบีที่เป็นชาวอาหรับน่ยมีอยู่สี่คนนะนบีที่เป็นชาวอาหรับนะที่พูดภาษาอาหรับน่ยมีอยู่สี่คนหนึ่งนบีฮุดสองนบีสุลห์สานาบีชัย อ่าวช่ยเอฟมีใครอ่ะชอใช่ไหมแล้วก็สีน บ, บีมุฮัมามัดที่เป็นคนอาหรับนอกนั้นไม่ใช่อาหรับสักคนหนึ่งนะ124สองหมน่ันะไม่ใช่อาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นเลยเพราะนั้นคนที่เป็นอาหรับมีแค่กี่คนนะ4คนนะครับอิบนาห์เบานอธิบายนะครับหนฮุดอะลัยซุลลาม2น บ, บีซอลแล สาน บ, บีชอยบะเลยฮิสลามสี่น บ, บีมุฮัมมัดมีอยู่ท่านที่เป็นอาหรับนอกนั้นไม่ใช่สภาใจไหมอย่าคิดว่าอาหรับเด่นไม่ใช่นี่น บ, บีบอกว่าอาหรับก็ไม่เด่นกว่าใครคนอายำไม่ใช่อาหรับก็ไม่อยัาอย่าคิดว่าตัวเองเด่นนะถ้าจะเด่นอยู่ที่หัวใจใครโยมก็เอาลองมากที่สุดคนนั้นแหละเป็นคนที่เด่นที่สุดในทัศนคของอัลอิสลามนอย่างนนี้เป็ต้น ต่อมาครับอายที่เทลน่าสิบแปดสิบเจ็ดก่อนว่อัมมาซามูดฟาเดย์นาฮุมฟาสต์ฮับบุลอามะลลุดะฟะอาขัดตุหุมซาอิกตุลอาดาบิลฮุนบิมาแกนุยักษีบุน وأما ا م, م و د فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بهون بما كانوا يكسبون الله أكبر นะอัลลเมตานะยานิสม ชื่อได้ยินบ่อยๆใช่ไหมสมูดนี่มาก่อนห น, นา้ า, <ม>านบีมุฮัมมัดฟาฮดัยหน้าฮุมเราได้ชี้ทางนำเ ม, มตานะส่งนบีซอนแลห์มาสอนพวกสมูดแบบพวกเรามีนบีมุฮัมมัดและมีกุรานเป็นเครื่องมื อ, อ นบีก่อนหนะ้นานบีมุฮัมมัดนบนสสนีสุลแลอัลลอฮ์ส่งมาสอนศาสนากับพวกสมอุดฟัสตะฮับบูฮับบะแปลว่าพวกเขารักชอบอัลลามาตาบอดชอบตาบอดตาบอดกูบงเล็บหลงทางทำหลับตาทำมองไม่เห็นอ่า มีทางนำมาฉันไม่เอาห้ามเข้าหมู่บ้านฉันอย่างวันนี้สุนันนาบีเข้าหมู่บ้านอย่าๆๆๆไปสอนที่อื่นห้ามเข้าหมู่ห้ามเข้าสู่เราฉันนะที่ภาษาคล้ายๆกันพวกสมุนก็เหมือนกันอัลลอฮ์สงนบีส่อแรกมาไม่ให้เข้าสู่เราฉันนะฟาสตาฮับบุลามาพวกเขารับชอบ อยู่แบบตาบอดตาบอดอกที่อยู่แบบงมงายมาตรงเรียนใช่ไหมอลัลฮุดะฮุดาแปลว่าทางนำเลือกตาบอดแทนทางนำนี่พูดภาษาง่ายง่ายเข้าใจง่า ย, ายพวกอาจุลสมูตอาตุลถูกไปแล้วใช่ไหมสมูตนะอาะาั้์ปฏิเสธอิสลาม เองเจอหมดนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็อได้นะสมมติทรงรอนล่าเองฉันส่งนบีมาชื่อโนเล็คชี้ทางนำให้แต่พวกนี้เอาเลือกตาบอดเอาความ ง, งมงายแทนหนทางที่ถูกต้องฟาอาคอรัดฮุมซออก็ซออะก็แปลว่าภัยพิบัติหรือว่าฟ้าฟาอะไรนะฟารองดังๆจากชากชันฟ้ามาเนี่ย การภัยพิบัตินั้นได้ลงโทษพวกเขาอาลาเป็นการลงโทษที่หูนอันอดสูอันต่ำต้อยนลงโทษหมดเลยทั้งสองกลุ่มนะทั้งอาส ม, มุตนั่นแะหละร่างกายใหญ่เงินก็เยอะเอาหินจากพวกเขาเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยได้เนี่ยแล้วก็คุยว่าไงนะมันอาชัดดุมนนาปูว่าใคร เก่งกว่าเรามีเปล่าวันนี้คนทั้งโลกอาปบช่าใช่ไหมอ้าวแล้วเดี๋ยวมึงเจออ้าตอนนี้อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปพยอมกันไปแต่กำปุลกันไปเยยิงกันไปอันนี้เล่าให้ฟังคนที่ผู้หญิงผู้หญิงผ่านรอดได้ไม่รอดไม่รอดสักคนหนึ่งแต่ตอนนี้อัลลอฮฺให้อยู่นะใครที่ทําชั่วนะ เอาภาษาพูดของพวกอาสมุตมาใช้อลัลลอฮ์ยังให้อยู่นะอยู่ทาไมพราะนาบีขอดุอาเอาไว้อัลลอ์จะถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่คนที่พูดจาโอหังอวดดีแบบพวกอาสมุตนะอย่าเพิ่งลงโทษเขานะอลัลลอ์รับดุอา 2. สองเวลาคนไปทำฮัสไปทาอมรอไปทำบาจีเดินตะวา่าไปบาตูล้อน่ะ อัลลอฮฺมักฟิลีอัลลอฮจะอภัยโทษอาจารยด้วยถ้ามีคนสองกลุ่มนี้หนึ่งกล่าวว่าไงนะอัสตักุรุลลอฮหรือว่าอัลลอฮฺมักฟิลีกับนบีมีชีวิตอยู่วันนี้นบีอยู่บ้างไม่อยู่แต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งขออุอาว่าอัลลอฮจะอภัยโทษอาจฉันอัลลอฮจะไม่ลงโทษคนทำความชั่วเหมือนคนในอดีตเห็นไหมดีเลยไม่ดีเราต้องอธิบายให้เขาฟัง เองอย่าอวดดีนะเองอย่าอวดดีนะที่อลัลลอฮ์ไม่รบพโนบีขอดูาอาว่าอัลลอฮ์รับดอาแล้วที่อลัลลอฮ์รับดวอาไม่รีบลงโทษเปิดโอกาสให้สองอย่างหนึ่งให้เรียนสองให้ตา บ, บ้าตัวซเรียนก็นไม่เรียนดั่นดาอีกใช่ไหมชื่ออะไรนะเนี่ยเอออย่าไปเอ อ, อ, อชื่อนะดาอิสลามอะ่ะดาอัลล์าดากับเบีน่ะ ก็ปล่อยไปไม่เอ่ยชื่อนะว่าใครนะที่ต้องศึกษาเองก็เร้วกันซอิกรตุลาภัยพิบัติเป็นการลงโทษอันอดสูบิมาแกนูยักษ์ศีบูญที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ได้ขนขวายเอาไว้คุณขนขวายในทางที่ผิดหมดเลยเนี่ยเหนื่อยในทางที่ผิดหมดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเพราะนบี ขออุทิศอวัย Allah รับอุอานาบีอัลฮัมด k ลิละนะครับนับไปนะ้องอัสับไปนังอามา่าเวตาบอดคูดาเปวตาบนำซออีกกองเปว่าฟ้าผ่าก็ได้หรือ ว, ว่าภัยพิบัติอันรุนแรงต่อมาย้ยที่สิบนปดันใจนาะ วันัตย์ใหญ่นา الذين آمنوا وكانوا يتقوون อัลออนี้ปลอบใจผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์เราสู้นแล้วก็อิมานที่ตะกี้เนี่ยจ็ดข้อใช่ไหมนั่นละวันัตย์ใหญ่นา الذين آمنوا وكانوا يتقوون นัตยใหญ่นาแปลว่า เราช่วยให้เขาปลอดภัยฟ้าผ่าไม่มาครับไม่มีมีมันกันดังๆฟ้าผ่าเนี่ยในฟ้าผ่าแล้วก็มีบรรการนะทำให้แร่เพิ่มขึ้นให้บรรการดุนยาเพิ่มขึ้นเราไม่รู้แต่อาดาบังก็มาด้วยออแต่นั่นมุ่มินเนี่ยเจอเสียงอะไรนะฟ้าผ่าขอรัอาอะไรบ้างอะ่ะ วาาไงลืมไปแล้วต้องมาจริงๆถึงจะนึกออกมาจำได้ป่ะอละลืมไปแล้ววันนัจยายนแล้วเราได้ช่วยให้เขาให้ปลอดภัยใครอัลลอดีนอามนุษ์ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮเห็นไหมคนศรัทธาต่อเราอยู่ตรงไหนนี่สง่า ง, งามหมดเลยใช่ไมพี่น้องอต่อมาครับวากานู ยัตตากูและพวกเขาเป็นผู้สํารวมตนจากความชั่วอีมานกระตกวาไม่เหมือนกันนะอีมานเนี่ยเป็นแรงผักดันให้เขาทําอามันทิโซะแหส่วนยัตตากูตักวาเนี่ยผักดันให้เขาไม่ทําความชั่วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่อยุธยาก็เชิญผมไ ป, ปอ่นานคุตบังผมพูดเรงนี้แหละอีมานกระตกวาเนี่ย ทานิลฉะนั้นอีมานกับตักวาเนี่ยไม่เหมือนกันอธิบายไม่เหมือนกันอีมานราะว่าคนที่มีอีมาน6ประการเนี่ยนะผลักดันให้เขาอยากจะทำความดีตามสุนัขนบีส่วนตักวาเนี่ยยัตตะกูลเนี่ยผลักดันเขาไม่ให้ทำความชั่วเช่นทะเลาะ ก, กับเมียเนี่ยทะเลาะ ก, กับด่าพ่อแม่ตัวเองด่าลูกไม่มีในอิสลาม พยาต้องนึกตลอดเวลานึกตลอดเวลาถเลอกกับญาติพี่น้องตัวเองไม่ทำไม่ทำกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายนะบทยังเนี่ยวายูมาญชาโุวายูมาญชารเป็นมัจหุนยุหชาโรแปว่าถูกรวบรวม วัَเْาว์มายูอัช ل ารِ ل ن َّ ا ر ِ فَهُمْ ي ُัลَ ع ฮ์ฟาหَมยูซ่างวُนเยาว์มายูอัชชาร ل อัลอาดีอัลลอฮิอัลลอฮ์ฟาหุมยูซ่างอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อายะนี้น่ากลัวครับอายะสุดท้ายนี่นะ วายามุมแล้วว่ามีอยู่วันหนึ่งนึกเองวันไหนวันเตียมต้องตายก่อนนะผ่านกูโบก่อนแล้วก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละวันนั้นแหละาวายามุมแล้ววันหนึ่งในโลกหน้าอธิบายในโลกหน้ายวชชารุถูกชุมหนุมนี่สอนให้เรา สอนในคนกาเฟ่รู้ได้ว่ามนุษย์แล้วตายสองครั้งเกิดสองครั้งไม่ใช่ตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวไม่ใช่ครับตายครั้งสิเนี่ยการครั้งที่สองนี่นะแล้วก็รอไปก่อนแล้วก็วันเกีย่ยวมาหมาพอฟื้นขึ้นจากกูโบต้องไปรวมกันอีกครั้งหนึ่งรวมที่ไหนครับนะมีคนถามนาบีนบีว่าเนี่ยที่ไบตุลมักิสเนี่ยที่ประเทศซามนะ กใหญ่ใช่ไมละ่ะรวมกันที่นั่นน่ะแล้วก็นบีก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมบรตุามักดิษด้วย อ, อัลอาอซอะนะถ้าไปไม่ได้ให้ส่งน้ำมันไปให้เขาให้เขาจุดตะเกียงวันนี้น้ำมงนน้ำมันก็ส่งไม่ได้เราส่งอะไรแทนส่งเงินอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้มีที่แต่มันมีอยู่แล้วหละ แต่ถ้าเราดูแลแต่แตะวันนี้นะดีแล้วไม่ดีดูแลที่เราจะไปยืนอยู่ทุขมหาชัก น, นี่ไงยั่วจรู้จะถูกชุมนุมกันไม่ใช่บุมินอย่างเดียวนะอาดาอัลลอฮฺเน้นนำศัตรูทั้งหลายของอัลลอฮเห็นไหมและใช้ภาษาหนักด้วยนะอาดาอัลลอฮอดูนแปลว่าแอนิเมชัตรูทั้งหลายของอัลลอฮ อัลเราดูแลศัตรูบนโลกดุนยาเนี่ยดูแลแบบสบายเลยนะใช่ไหมเอาบ้านไปเอาเมียไปกี่คนก็ได้ไม่ต้องแตง่งใช่ไหมเอาที่อยู่ไปเอารถไปเอาตำแหน่งไปชื่อเสียงไปเอาทะเลาะกันไปสิใช่ไหมแต่อ Allah เรียกในวันเกียม์มาว่าอาดาอะอุลลอห์บุคคลเหล่านี้เป็นศัตรูเป็น enemy of Allah เป็นศัตรูของ Allah ทั้งหมด ฟ้าหุมอยู่สองแล้วพวกเขาจะถูกจัดเป็นหมู่เป็นหมวดหมวดหมวดหมวดบทประเทศใครประเทศมันอ้าวญี่ปุน่นอเมริกาอาแคนาดาฝรั่งเศสตั้งแต่ยุบนู่นเลยเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหมู่เป็นหมเป็นหมู ow, ่ ow, รวมไปถึงคนที่อาญาอย่างสมัคเทาี้อาญาประจารําใช่ไม่มคนอาญาอยู่กลุ่มนึงคอเนี่นยาวหล่อระหงคนที่มีเมีย สคนสามคนแล้วไปให้ความเป็นธรรมล้วมีเอวบน่นมีเอวโวยเดินอะไรนะเดินเป็นอะไรนะเป็นอัมพาตไปเครื่องตัวแต่เดินได้ไม่เดินได้เห็นหมดเลยอะ่ะโอ้แต่และคนแต่และคนคนที่ลักวัวรักควายเขาก็แบกวัวแบกควายอยู่บนหัวเนี่ยอะไรกันเนี่ยโลกอารยเราเห็นหมดเลยครับพี่น้องคนที่ไม่ทําำตามหลักการที่นบีสอนนะว่าถูกหมดนะ